3. โอวาทวัคเก 9. ปริปาจิตสิขาบทว่าด้วยการชันวิธาบาทที่มีภิกษุณีแนะนำให้จัดเตรียมเรื่องภิกษุณีทุลนันธา 192. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชครื้ครั้งนั้นภิกษุณีชื่อทุลนันธาเป็นผู้ใกล้ชิดตระกูลของตระกูลหนึ่งราพตหารประจา ข้าบดีนั้นนิมนต์ภิกษุผู้เป็นเทระหลายรูปไว้ครั้งนั้นในเวลาเช้าภิกษุณีชื่อทุลนันทาครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปถึงตระกูลนั้นครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับข้าบดีดังนี้ว่าข้าบดีทําไมท่านจึงเตรียมของเคี้ยวของฉันไว้มากมายข้าบดีตอบว่าแม่เจ้ากระผมนิมนต์พระเทระทั้งหลายไว้ขอรับภิกษุณีชื่อทุลนันทาถามว่า ข้าบดีพระเทระเหล่านั้นใครบ้างข้าบดีตอบว่าคือพระคุณเจ้าสารีบุตรพระคุณเจ้ามหาโมคคลานะพระคุณเจ้ามหากัจจยณะพระคุณเจ้ามหาโกธิตะพระคุณเจ้ามหากัปปินะพระคุณเจ้ามหาจุนะพระคุณเจ้าอนุรุทธะพระคุณเจ้าเรวตะพระคุณเจ้าอุบาดีพระคุณเจ้าอาน o n พระคุณเจ้าราหุลภิกษุณีทุลนันทาถามว่าข้าบดีเมื่อมีพระเทระผู้ใหญ่ทําไมท่านจึงนิมนต์พระผู้น้อยเล่า พระเทระผู้ใหญ่ของท่านมีใครบ้างครับพระคุณเจ้าเทวทัตพระคุณเจ้าโกกาลิกะพระคุณเจ้ากตะโมรติสกะพระคุณเจ้าขันทเทวีบุตรพระคุณเจ้าสมุททัตในขณะที่ภิกุณีชื่อทุลนันทากล่าวค้างอยู่นี้พอดีกับที่พระเทระเหล่านั้นเข้ามานางกลับพูดว่าถูกแล้วข้าบดีท่านนิมนต์พระเทระผู้ใหญ่ทั้งนั้น ข้าบดีกล่าวว่าเมื่อสักครู่นี้เองท่านกล่าวว่าพระคุณเจ้าทั้งหลายเป็นพระผู้น้อยแต่เดี๋ยวนี้กลับกล่าวว่าเป็นพระเทราผู้ใหญ่จึงขับนางออกจากเรือนและงดพัะทหารที่ถวายประจําบรรดาภิกษุผู้มากน้อยจึงพากันตําหนีประนามโพลทนาว่าชไฉนพระเทวทัต ร, รู้อยู่จึงชัน้นวิธบดทีที่ภิกษุณีแนะนําให้จัดเตรียมเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพระเทวทัตรโดยประการต่างๆ